ปัจจัยสให้แก่จิตใจเติมมาหารเติมเครื่องนุง่งห่มเติมที่อยู่อาศัยเติมออยารักษาโรคให้แก่จิตใจเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่จาเป็นจะต้องมีปัจจัยสร่างกายถ้าขาดปัดจจัยสร่างกายก็จะเดือดร้อน จะทุกยากลาบากจะเจ็บไข้ได้ค่วยและจะถึงแก่ชีวิตได้ฉันใดใจถ้าขาดปจัจจัยสี่ใจก็จะทุกยากลาบากลำบนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีความสงบใจพระพุทธเจ้าจึิทสง สอนให้พุทธศาสนิกชนได้กำหนดวันให้เข้ามาวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะได้มาเติมปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจถ้าไม่ได้สรงกำหนดบัญญัติวันพระให้สาธุชนได้เข้ามาวัดกันสาธุชนก็จะไม่ได้เข้าวัดกัน เพราะจิตใจมีความผูกติดอยู่กับการหาปัจจัยสและหาความสุขจากสิ่งต่างๆทางร่างกายจนไม่มีเวลาเวลาที่จะมาหาความสุขให้แก่จิตใจจิตใจจึงไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ ทางทางที่ <Yeah. S 1> มีสิ่งต่างๆ ม, มากมายกายกองมีปัจจัยสี่เหลือเฟือมีสิ่งต่างๆ ม, มาบำรุงบำเลอให้ความสุขทางร่างกายแต่ใจไม่ค่อยมีความสุขก็เพราะใจไม่ได้รับการบำรุงบำเรอเหมือนกับร่างกายนั่นเอง <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงทรง สอนให้สาธุชนได้หยุดการหาความสุขทางร่างกายหยุดหาปัจจัยสี่ทางร่างกายสักหนึ่งวันแล้วให้มาวัดเพื่อมาหาความสุขทางจิตใจสมัยโบราณท่านก็กำหนดวันตามวันขึ้นแรงของดวงพระจันทร์เช่นวันขึ้นแรง8ดข้งส5บห้าข้ง แต่ในสมัยปัจจุบันนี้วันหยุดของชาวทุชนไม่ได้ตรงกับวันขึ้นแรงสิบห้ข้างแข้างแต่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์พุทธศาสนิกชนจึงต้องปรับเวลาของตนให้เข้ากับสถานะสถานการณ์ปัจจุบันคือให้ถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นวันพระแทนเพื่อจะได้เข้ามาบำเพ็ญเข้ามาเติมปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจเพราะถ้าเราไม่ปรบับเรารอจะเข้าวัดในวันขึ้นและปดข้ามสบห้าข้าก็จะไม่ตรงกับวันหยุดทา ง, งานของเราเราก็จะแก้ตัวได้ว่าวันนี้ต้องไปทา ง, งานมาวัดไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้เราแก้ตัวเราก็ต้องเปลี่ยนวันใหม่เปลี่ยนวันพระเป็นวันหยุดทำงานของเราเราหยุดวันทำงานวันไหนเราก็ต้องถือวันนั้นเป็นวันพระของเราเช่นสมายนี้เราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องกาหนดวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราจะมาวัด มาเติมปัจจัยสี่มาสร้างความสุขให้กับใจเพราะถ้าเราไม่ได้เข้าวัดมาเติมปัจจัยสี่มาสร้างความสุขให้กับใจใจของเราจะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามสมบัติเข้าวของเงินทองตา่ตางๆปัจจัยสี่ตา่ตางๆนี้จะไม่สามารถ ให้ความสุขกับใจของเราได้เลยนอกจากไม่ได้ให้ความสุขแล้วยังกลับจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะใจจะหลงยึดติดกับปัจจัยสี่คิดว่าปัจจัยสี่นี้เป็นที่พึ่งของตนบางิงปัจจัยสี่นี้เป็นที่พึ่งของร่างกายไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจ แล้วก็ร่างกายก็ต่อให้มีที่พึ่งมากขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามที่พึ่งต่างๆของร่างกายก็ไม่สามารถยับยั้งการตายของร่างกายได้ไม่สามารถยับยั้งความแก่ของร่างกายได้ไม่สามารถยับยั้งความเจ็บไข้หน่ายวดของร่างกายได้ พอร่างกายแก่เจ็บตายใจก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าใจไม่มีที่พึ่งของใจใจไปอาศัยที่พึ่งของร่างกายพอไม่สามารถพึ่งร่างกายหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้ตอนนั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไป เช่นคนที่เป็นอัมพึกอัมพาไม่สามารถขยับร่างกายไปทำอะไรต่างๆได้ต้องอาศัยคนอื่นคอยอุ้มคอยคอยแบกคอยทำอะไรต่างๆให้อนั้นจะไม่มีความอยากจะอยู่จะอยากจะคิดข้าตัวตายหรืออยากจะให้หายจากสภาพนี้ไป พอมีความอยากมากขึ้นเท่าไรใจก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะใจไม่รู้จักหยุดความอยากไม่รู้จักทำใจให้สงบเพราะถ้ารู้จักทำใจให้สงบสามารถหยุดความอยากได้ใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกาย จะไม่ทุกกับความตายของร่างกายการที่เรามาวัดเพื่อมาเสริมปัจจัยสีน่นี้ก็เพื่อมาหยุดความอยากเพื่อมาทําใจของเราให้สงบนี้เองปัจจัยสี่ของใจนี้จะทําให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอมีความสงบจะทําให้ใจหยุด ความอยากต่างๆได้เวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่เพราะจะหยุดความอยากไม่แก่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาตายก็สามารถหยุดความอยากไม่ตายได้พอไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่ความเจ็บความตาย จะไม่เป็นปัญหาเลยเหมือนตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ใจของเราสงบไม่มีความอยากอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถรักษาความสงบที่เรามีอยู่อย่างนี้ได้ไปตลอดเท่านั้นเองพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายหน่อยความสงบใจก็จะหายไป ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีเช่นนั่งแล้วเจ็บก็อยากจะขยับร่างกายอยากจะลุกถ้าไม่ได้ขยับก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่อยากใจอยู่ในความสงบเพื่อเพลินกับการฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่มีความอยากจะลุกถึงแม้จะเจ็บบ้างก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่มีความอยากนี่ดังนั้นการที่เรามาวัดมาเติมปัจจัยสี่ให้แก่ใจนี้ก็เพื่อที่จะมาทำใจของเราให้สงบทำใจของเราไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมานั่นเองการทำทานนี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจใจก็เหมือนร่างกายต้องมีอาหารเหล่อเลี้ยง ถึงจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเรามาทำทานอย่างวันนี้ทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มเหมือนกับได้รับประธานอาหารเราก็จะไม่อยากไปเที่ยวดางสถานที่ต่างๆ ไม่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะว่าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาให้ทานนั่นเองพอเราให้ทานแล้วเงินที่จะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็อยู่บ้านดีกว่าเพราะใจไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากไปเที่ยว ไม่มีความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่คือวิธีที่เราจะหยุดความอยากจากการอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเราไม่หยุดด้วยการเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มาทําบุญเราไปเที่ยวเราก็จะไม่สามารถหยุดความอยากเที่ยวได้เพราะเราเที่ยววันนี้แล้ว เดี๋ยวพวกงนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวอีกเพราะว่าใจของเราไม่ได้รับอาหารที่จะมาหยุดความอยากไปเที่ยวนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่ไม่เอาเงินที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาทำทางใจของเราก็จะไม่มีจะไม่หยุดความอยากก็จะอยากอยู่อย่างนั้นเช่นเก็บเงินเอาไว้ แต่ไม่ได้เอามาทำทางใจก็ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่แล้วในที่สุดก็จะสู้ความอยากไม่ได้ก็จะต้องเอาเงินที่เก็บไว้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยจนได้แต่ถ้าเอาเงินนี้มาทาทางเสียก่อนถึงแม้ว่าจะมีความอยากมากก็จะไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวอยู่ดีก็จะไม่ต้องไปเที่ยว ก็จะหยุดความอยากเที่ยวได้หรือว่าทุกครั้งที่มีความอยากเที่ยวพอมีเงินพออยากจะเที่ยวก็เอาไปทำทานต่ออยากจะซื้อของฟุ่มเฟยก็เอาไปทำทานต่อใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอหยุดความอยากไปเที่ยวหยุดความอยากไปซื้อของสุ่มเฟยได้พอเราไม่มีความอยากเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเย เราก็ไม่ต้องไปวุ่นไวายไปลำบากกับการหาเงินหาทองเงินทองที่เราหามานี้ส่วนใหญ่เราเอามาใช้เป็นอันตรายกับใจเราเอามาสร้างความอยากสร้างความอยากเที่ยวสร้างความอยากซื้อของฟุ้มเฟือยต่างๆด้วยการทำตามความอยากถ้าทำตามความอยากแล้วความอยากจะขยายตัวขึ้น ย่จเจริญเติบโตขึ้นมาใจไม่ได้เจริญเติบโตแต่ความอยากจะเจริญเติบโตทำให้ความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากจะใช้เงินมากขึ้นอยากจะเที่ยวมากขึ้นอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้นดังนั้นเราต้องพยายามอย่าเอาเงินไปซื้อของที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับใจ เราไปซื้อแต่ของที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเราขาดแคลนถ้าเรามีพอแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเก็บเอาไว้สำรองบ้างสำหรับอนาคตเพื่อวันที่เราไม่สามารถหาเงินทองได้เราก็จะได้ใช้เงินทองที่เรามีนี้เอามาดูแลร่างกายเรา แต่อย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปเที่ยวเพราะจะไม่พอใช้เพราะว่ายิ่งเที่ยวก็ยิ่งอยากเที่ยวยิ่งซื้อก็ยิ่งอยากซื้อนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามฝืนใจบังคับใจเวลาจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอามาทำทานเสียถ้าเราจะซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อมาแล้วก็อยากเก็บเอาไว้ เอาไปให้คนที่เขาไม่มีบ้างแบงปันให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเช่นเรามีเสื้อผ้าหรือเสื้อแล้วแต่ยังเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆตามร้านก็อยากจะซื้อเราจะซื้อก็ซื้อได้แต่อย่ากเก็บเอาไว้ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาไม่มีเราจะมีความสุขจากการให้และเราจะมีเพื่อน มีคนที่เขาจะรักเราชอบเราและวันวันหน้าเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเขาจะคอยมาดูแลมาช่วยเหลือเราเพราะเรามีบุญมีคุณกับเขานั่นเองนี่คือวิธีการมาทำใจให้อิ่มให้ใจมีอาหารด้วยการทำทานด้วยการเอาเงินที่จะไปใช้กับในสิ่งที่ไม่จำเป็น ในสิ่งที่เป็นโทษกับใจคือไปสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นนี่นี่คือการให้อาหารกับใจให้ด้วยทานแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเงินเงินเรามีพอไว้สําหรับดูแลร่างกายซื้อปัจจัยสี่เราก็ไม่ต้องทําทานก็ได้ เพราะการทำทานนี้มีเพื่อที่จะหยุดการใช้เงินเท่านั้นเองใช้เงินในทางความยากพอเราไม่มีเงินจะใช้แล้วเราก็หยุดไม่ต้องทำทานเราก็ไม่ได้เที่ยวด้วยเพราะเราไม่มีเงินเที่ยวเรามีเงินอยู่แต่สำหรับเก็บเอาไว้ซื้ออาหารซื้อยารัารกษาโรคซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าน้ำค่าไฟเท่านั้น ถ้าถึงตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำทานเราก็มาสร้างปัจจัยสี่ข้อที่สองคือมาทำตัวของเราให้มีเสื้อผ้าอภารรที่สวยงามตัวของเราที่แท้จริงคือใจและเสื้อผ้าอภารร์ของเราที่แท้จริงก็คือศีลนี่เองคือการไม่ทำบาปเพราะการทำบาปจะทำให้เรา เป็นเหมือนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวยงามสวมใส่เป็นเหมือนคนใส่เสื้อผ้าขาดลูกนิ่ง<ม>เรียกว่าเป็นคนหน้ารังเกียจ<ม>คนที่ทำบาปนี้เป็นที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่เหมือนกับคนที่ไม่ทำบาปอยู่กับใครก็จะมีคนรักมีคนชื่นชมมีคนชอบ ดังนั้นเราต้องมารักษาศีลกันให้ได้เพราะอันนี้แหละจะทำให้เราเป็นคนที่มีคนรักจะไม่มีคนเกลียดและชีวิตของเราจะได้ปลอดภัยจากคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเพราะเราไปทำให้เขาเดือดร้อนนั่นเองเช่นเราไปฆ่าเขาฆ่าญาติสนิทมิตสหายของเขา ฆ่าบุคคลที่เขารักหรือไปลักทรัพย์ของเขาไปประพฤติผิด ต, ตเวเีกับบุตรกับธิดากับสามีกับภรรยาของเขาไปโกหกหลอกลวงเขาการกระทำเหล่านี้ทำไปแล้วไม่ได้ทำให้ใครเขารักเราเลยมีแตจะทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเราและเขาจะทำร้ายเรา ได้และอาจจะฆ่าเราได้แต่ถ้าเราไม่ฆ่าเราไม่รักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดประเวนีเราไม่โกหกหลอกลวงจะไม่มีใครเขาเปลี่ยนเราเราจะเป็นคนน่ารักเหมือนกับเวลาที่เราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามวิจิตพิสดารแต่งหน้าทาปาใส่น้ำหอมไปไหนก็มีแต่คนชอบ คนอยากจะอยู่ใกล้เพราะเห็นคนที่สวยๆงามๆแล้วก็ชื่นอกชื่นใจแต่ความสวยทางร่างกายเป็นความสวยปลอมเท่านั้นเองเพราะเป็นการปกปิดส่วนที่ไม่สวยของร่างกายให้ดูสวยงามและก็ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงเพราะถ้าใจไม่สวยงามแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายจะสวยงามเพียงไรก็จะไม่สามารถชนะใจของผู้อื่นได้ถ้าสวยทางกายแต่ใจทำบาปใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามรองก็จะไม่มีใครรักใครชอบดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการเสริมสวยทางร่างกาย เพราะไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามที่แท้จริงสวยด้วยใจสวยด้วยศีลสวยด้วยการไม่ทำบาปพอเราไม่ทำบาปใจของเราก็เย็นสงบสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนใจก็มีความสุขไม่ต้องไปคอยละวัตลวละวะละวัตนมัดระวัง หวาดกลัวกับผลที่เราทำบาปไว้เพราะเราไม่ได้ทำบาปผลของบาปจึงไม่มีใจของเราจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือปัจจัยสี่ข้อที่สองคือศีลการไม่ทำบาปเป็นเสื้อผ้าอภรรของใจทำให้ใจดูสวยงาม น, น่ารักน่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคมด้วยพอเรารักษาสีลได้แล้วเราก็มาสร้างปัจจัยของใจส่วนที่สก็คือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับใจตอนนี้ร่างกายมีที่อยู่อาศัยปลอดภัยจากดินฟ้าอากาศฝนตกก็ไม่เดือดร้อนพายุมาก็ปลอดภัยแต่ใจยังไม่มีที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านปลอดภัยจากพายุจากฝนฟ้าอากาศแต่ใจยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่กลัวว่าน้ําจะท่วมบ้านกลัวว่าพายุจะแรงจะมาพัดทําให้บ้านพังบ้างเพราะว่าใจยังไม่มีความสงบไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยบ้านของใจคืออะไรก็คือความสงบนี่เอง ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วใจสงบใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ว่าบ้านจะเป็นอะไรนานจะท่วมบ้านจะพังบ้านจะถูกไฟไหม้บ้านจะถูกขโมยขึ้นถ้าใจมีสมาธิแล้ว ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะอยู่ในความสงบนะดังนั้นเราต้องมาสร้างบ้านให้กับใจเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนากับทางร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆใจจะได้มีที่พึ่งจะได้เข้าไปหลบภัยคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ การเข้าสมาธิจึงเป็นเหมือนกับการเข้าบ้านเวลาอากาศร้อนภายนอกเราก็เข้าบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศพอ เ, เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเราก็จะมีความเย็นสบายถึงแม้ข้างนอกจะร้อนก็ไม่เป็นปัญหาไม่มากระทบกระเทือนร่างกายที่อยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศฉันใดเวลาใจเข้าสมาธิ ก็เหมือนกันเวลาอยู่ข้างนอกสมาธินี้ใจจะรุ่มร้อนกับเรื่องราวต่างๆ ก, กับเหตุการณ์ต่างๆแต่พอเข้าไปในสมาธิแล้วความรุ่มร้อนใจก็จะหายไปความเย็นใจก็กลับเข้ามาเราจึงต้องหัดเข้าสมาธิให้ได้เผื่อเวลาเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราจะได้หลบเข้ามาในสมาธิ แล้วความวุ่นวายใจความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเราออกมาจากสมาธิกลับมารับรู้เรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้เหมือนกับเวลาที่เราหลบความร้อนเข้ามาในบ้านมันก็เย็นสบายแต่พอเราต้องออกไปทำอะไรข้างนอก เราก็จะต้องไปเจอความร้อนจากข้างนอกอีกถ้าเราไม่อยากจะให้ร้อนถ้าเราเดินเราก็ต้องมีร่มกา่ามันจะได้มีมีร่มไว้กันแสงแดดที่ทำให้ร้อนหรือถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์เราก็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ถึงจะไม่ร้อนใจของเราก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิมา พอมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาอีกถ้าเราอยากจะดับความรุ่มร้อนใจโดยไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัจจัยที่สี่คื อ, อยารักษาโรคใจเพราะความรุ่มร้อนใจนี้ก็คือโรคของใจนั่นเองและยาที่จะรักษาความรุ่มร้อนของใจได้ก็คือปัญญา ปัญญาคืออะไรก็คือความเจลาดความรู้ที่เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยมมีเกิดมีดับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้เขาจะเป็นอะไรนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เช่นร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากนี้เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้พอเรายอมรับเราก็หยุดความอยากอยู่กับมันไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ถ้าใจของเราไม่มีความอยากใจเราจะไม่ถือดร้อนจะอยู่กับเขาได้อย่างสบายเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจจะอยู่อย่างปกติสุดเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่จะตาย ถ้าใจไม่ได้มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเช่นเดียวกับเรื่องราวของคนอื่นคนอื่นเขาจะดีจะชั่วกับเราเราก็ต้องรู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้วันไหนเขาดีเขาก็ดีวันไหนเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีเวลาดีเาก็หวาน เวลาไม่ดีเขาก็โหดร้ายทารุณเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ถ้าใจเราไม่ไปอยากให้เขาดีกับเราไปตลอดเวลาเขาไม่ดีเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาดีไปกับเราตลอดเพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เท่มแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ วันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีได้พรุ่งนี้ไม่ดีมาเลยนี้ก็กลับมาดีได้วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไปก็ได้พรุ่งนี้ไปมาเลยนี้ก็อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้หรือไม่กลับมาเลยก็ได้เราต้องคิดอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้และไม่มีอะไรเราจะไปสั่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือการใช้ธรรมะโอสถใช้ยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนของจิตใจโดยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะการรักษาด้วยปัญญานี้จะรักษาได้ให้หายขาดความรุ่มร้อนใจจะไม่มีกลับมาอีกเลยถ้าเรารู้ว่าเราต้องหยุดความอยาก แล้วเรารู้ว่าการหยุดความอยากก็คือต้องเห็นว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ดังนั้นเราต้องไม่อยากกับอะไรถ้าไม่อยากจะทุกขเราก็จะเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่แหละคือปัจจัยสี่ ที่พวกเราเข้ามาหากันเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทำทานรักษาศีลสมาธิก็ควรจะทำทุกวันปัญญาก็ควรจะสอนใจทุกวันทุกเวลาว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราเราสั่งเขาไม่ได้เราอย่าไปอย่ากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ รับรองได้ว่าจิตใจของเราจะปลอดภัยเหมือนกับร่างกายที่ปลอดภัยด้วยปัจจัยสี่ใจก็จะปลอดภัยด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างปัจจัยสี่ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจรณาและปฏิบัติเพื่อความอยู่อย่างโล่งเย็นเป็นสุข ของชีวิตจิตใจต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึกติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจริได้บุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแข้วค่าปลอดภัย